สิกขาบทที่สิภิกษุนีบวชให้สิกขมานาที่มารดาบิดาหรือสามียังไม่ได้อนุญาตต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังบวชให้ต้องอาบัาบตออบทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อบวชให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี